ท่านคำสอนเจริยวัดระบาดทรงต่อพนันธุ์พันธุ์มัดหนะหายข้อตอบวิซานะําเอกเสมอถ้าข้ ต, ตอบคือเก่าเด้ออาจจะตอบแยกสนามหลวงโหลดพหเพราะข้อไหนมาปฏิบัติผู้ภาวนาพู้โทพู้โธนั้นเป็นสมถะหรือวิปัสนาเล่าปัญหานักคำเอกขั้นตอบแย่ถึกสนามหลวงของเตนเป็นสมถะภาวนา ก็สามารถถึงอุปจารสมาธิเท่านั้นไม่สามารถถึงอัปปนาสมาธิเขาขายแค่เนี้ยถือมั้ยหรือไม่ฉะนั้นก็จะเป็นวาริกรรมภาวนาภาวนาในวาริกรรมอย่างสูงก็อุปจารสมาน า, ภ า, นาภาวนาในอุปจาร์เทาตอบย้นเสมอเทาประอบย้อนท่นานเท่าไหนมากป ฏ, ฏิบัติผู้ภาวนาพุทโธพุทโธนั้นจะว่าเขาเป็นสมถะหรือปัญนานั้น ยืนยันไม่ถูกเพราะวาสนาบารเมสร้างมาแต่ก่อนไม่เสมอกันปุกเพจักตะปุญญาตาบางท่านก็พอบาทขาถาเดียวกว็สำเร็จภารหันจักเชนทพาหิยะเป็นต้นเราจะวางสี่งนี้ยกาทาหอนในเวลาภาวนาพุโทโธพุโทโธอยู่นั<อ>้นเขาเห็นคำบริกรรมของเขาเกิดดับอยู่ แต่คุณของว่าพุาทธธรรมพระสงค์ไม่เกิดดับไปไหนเขาเห็นพร้อมกันในคณะเดียวเขาเห็นคําบอิกรรมของเขาเป็นจิตตะสังขารหรือวจีสังขารเกิดดับอยู่ในคณะนั้นเขาน้อมลงสู่ใจนักเห็นซึ่งหน้าอยู่ในปัจจุบันทั้งคําบอดิกรรมด้วยแต่คุณพุทธธรรมส ง, งไม่ได้เกิดได้ดับไปไหนเป็นโลกุตระคุณถึงจะเป็นนามะคุณก็เป็นโลกุตระคุณถ้าเขาพิจารณาอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าเป็นสมถะหรือปัจฉนาหรือ อุปจารสมานี้เท่นั้นมันก็ไม่ถูกเข้าข้างตัวเกินไปไม่มองรู้ว่าชนะบา ร, รมีของแต่ละท่านละท่านเลยว่ามันสร้างมาทิธที่ไหนรัติว า, วาทิศยกพราห้อนอีกนุคนผู้ภาวนาโลภไปรลปมาเช่นปุจุนตนทกักษะบ่แม่บ่โลภไปรลปมาละโชละนังและชังคาลติอย่างนี้ ก็แต่ขานเนี่ะปฏิสัมมิสาสีเป็นพระรหันพระปฏิสัมิสาสีมันก็น่าจะเป็นว ร, นรรณภาวนาทาไมถึงมาเป็นทาไมถึงแต่ขาเนีเป็นสัมิสาสีเราเอาเมื่ไหร่ลมไปแลเขาปั่นไม้พักเขียว่าตรงไหนถักใจไป ข เ, เขาหวยพราท่นเรียาท่านเขาเข้ากับต่ออย่างนั่นรลกวนมาเท่ากันล่ะล่องเข้าแต่เน่เข้าไปเข้าพวกไหวสิม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไ <ci> <sh arp> หมเขาก็ซ้เลยอ่ะพรล่องเขาไม่สมิสติบอ่เพร่ะว่างันงหรากเอาไหแล้วเขาจะบอกไป ขึ้ไปหาหลวงจั๊กแสดสงหลวง่อมา่อมเสียงว่างฟ้าเอาียน้ำกึกกั บ, บละอ่ะล่อแสงเห็นวสติบม่มีว่างกะ บ, บ, ว, ย ว, ก บ, บวยยังสี่กันว่ากะบวยยุ้ยหลวงพ่อมามันต้องว่างสี่กะบวยอ่างเท่าจบตัมาให้ยังสี่มันจำบ่ดัง จ, จังสิจังกัเพียงเนะลี้ยะหลวงพ่อมาหาให้กันล่ะแต่ว่างกะ บ, บวย ว่างใครเพราะฟ้าแยงนามันกลับเนี่ยนะฟ้าแยงนามันต้องนี่เลยพระมุมีฟ้าประจุมมีฟ้าปิดเยงนามป๊อปอวบทุกคนเพราะยุ่งเข้าไปใครกันน้ามีตัวสัตว์บริโภคนั้นนั้นเข้ามาบริโภคเอาหลาตีมตัวเดีวเขาบริโภคด้วกันถ้าปิจจทิเพื่อกันก็หายหน้าว่าว่าหายสัตว์ทั้งหลายเข้าไปกี่ใจว่างฟ้าแอยงนามันจ้องนี่สี่เลาเราจเอาขืนมันกัะนี่สี่เลยมัมาว่างเลย เอากระบวยมาตักน้าจะใหอยากจะให้มันรัดปร่งเปงอันนี้สอใสขี่ขี่ไหล่อขอมขี่เทอรอ้เพ่อนเห็นตักมาแล้วจกถูถูจ๊ทจกูถูักถูถูกัถูักั๊กูถเสียส่กากระจบวัตถเพื่นก็เห็นเพ่นคงจับไ่า้สิว่ากระบวย y แ่นีาอันว่างฟางน้ำปิดเข้ามาฟางน้ำปิดเข้ามา กับบางทีนะฝั่ง้นำวัตถุในสิ่งที่มันเกิดเป็นเพียงคอยว่างสิคอยว่างนี้ว่าตรงนี้เากระโจมาว่างเราตรงนี้จะคอยงับตรงนี้อ่งเราว่า ง, าางกับคดึงดยไม่ได้ขมาหลวงปูหมันสินหลวงปานวัดถุวาวรใบบินบาด ส, สกลนครสองกิโลก็ได้จังหอดในเมือง เดียวนี่รถทานอ่อมมัดนะสอนแสดวมาเห็นว่าวัดปาเกิดก่อนวัดบาทใ น, นโค้ท่าล่างปาใหม่ในโค้ดในโค้ท่าอ่นว่าไม่ในโค้ดนี่ใบโซดลอกหนาเหมือนในหนังสือพระเวสสันนนท์เตกุ ม, มาราอ่านมาสองกุ ม, มารเพนนอเกิดควงทองแม่ได้ตายอันเชลื มาผสันโศกอยู่ในแก้วกูซาร่าคดเทงถาแม่มันดาลําบากคือดังลูกเงาหน่อยอยากกินน่งแม่ความงส่งนียวหดแม่คาผ้าหักชุดใจบัดนี่แต่วันใส่ละหอยต้องทคอยพ่อแลกพวกกินตะ ก, กั่วผักอีสานมาแม่ของง่อยเนอ้เอเอล่ากินตะ ก, กั่วเล่ามาแม่ของง่ายๆเนอ้เ อ, อนั่นแหละสมัยนั้นแหะแตหันมาเนี่มัน ว่านโดดเนี่ยเป็นวัดบ้านวัดหลเอ้อข้างพระเจ้าครัวัดเชตตะวันมหาวิหารอยู่ทางทิศ ต, ต, ต, ต, ตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองสาวัตถีวัดบุพพาลามของนางวิสาอยู่ทางทิวตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองสาวัตถีไก่เมืองสาวัตถีหาด้วยหาอยขาธนู คาตาโนหนึ่งสีสอกฮ า, า, ารอยคาตาโน่กัเถกบายีสิพาเซ น, นนั่นลุคพระรามเป็นสวนดอกไม่นัางวิสาขาคนท่านหายเฉดตะวันมหาวิหารเป็นปลาเฉดตะวันนะสางผู้เดียวซีสิพาโดกระเป๋าเดียวว่นไหนไม่ซ่องขาวซ่อ ง, องเขียวจังเฮ้าหนี้สมนัมวะเงืนเหรียญตรงโตกว่าเป็นกระดาษจังเฮ้าหนี้นั่นทางพุทธการพัฒนาทั้งวัดโธนิยมทั้งอุหลมคติอ่ เขาจะไปทำงนทั้งผู้จัการหรอกผู้เดียวกะเป้าเดียวสางซีชิพหาโกนรองเท้าเป็นที่กษเสียทีนะซีชหาโกดโกดเรื่องมั น, นไม่ซีบรานเอาซีบคูบ้บางรู้จ้หาหาซีบถดหาซีซีเป็นซีชิพหาีร้อยหาซรากเอากระเป๋าเดียวนั่นโมโต่จบม่เฮาจะไปเข้าใจว่าสมัยสมืน่นีมันจะเสียวดาบขัดพวกพุเก้าว่ะ ท้งวัตถุนิยมก็ดีทั้งอุดมคติก็ดีวางกันเถอะวัดนี่ก็เทีกันนัางไวาา้ทักขาตานมมานหนึ่งว่าสางมัดยี่สิบเก้าโกดตำานหนึ่งสางว่าสิเก้า 49, โกดทำให้ยี่สิบเก้าโกดอีสีบมันกับสิบเก้าเก้าสิบสิบสองยี่สิบปียี่บเก้าเป็นสอง เ, อเลเก้าสิบล้านเอานั่นวัดปลาทั้งนั่นรักที่วันสวนจานนุ่มกับวัดปลา วัดเทน่งมันฤากาถวายก็เป็นวัดป้า อ, อ๋อกุฎาข้าวป้ามหาวันกับวัดป้า อ, อ๋อที่เขาสั่งให้พวกเขาเรียนซอให้พระแม่ทิยาโยนกัวัดหลังเขาทั้งนั้นนั่นคเพัาะหลายว่าวัดป้ามันเกิดที่หลังอันวัดบ้านมันเกิดที่หลังของบ้านรามมหานั่นอรัญวาสียังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงคีบด้วย เมื่ออรัญาวาสีพินาตลงขามมวาสีจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนอดม้วยสุดสิ้นสกูลพุทธคนเข้าใจว่าวัดป่ามันเกิดที่หลังวัดบ้านมันเกิดที่หลังบ้านลามหาทุกคน่มว่ากรรมฐานอย่กุสยุกมันสะดกากมันปกครองยากมาก นเอบเขียงเหรอทอ้าพระเดชพระคุณสิยุทธ์พระกรมฐานพระเดชพระคุณบวชสีว่าจากไหนวะท่ า, านเกซาโลมาณฆาดันตาตะโจตะโจดันตาณฆาโลมาเ อ, าอยเ้ยหยุดแค่ก่อนเกซาเกซาพราะเวลานี่เวลานอ้อยจะเรียนต่อไปอีกให้สมกับท่านที่เวลาที่มาบวช กระบวนกรรมฐานมัดทั shepherd, ้งมหาเนใ่กายทั in sharp, ้งธรรมยศทั้งตัววาขันสิปฏิบัติเอาหรือ่ปฏิบัติเอาเ็นกัเรื่องของคนวะเอาแน่ใจกรรมฐานนั้นเป็กรรมฐานมัดเลยวะรูปเนี่ยรูปเป็นอารมณ์กับรูปกรรมฐานเี่ยอารมณ์เป็นอารมณ์กับเป็นอารมณ์กรรมฐานะฐานะแปลว่าที่มันตั้งรู่วมันเกิดขึ้นแล้วล่เนี่แต่สลายวาที่ไปยุบกรรมฐานจะไปยุบจะหนีวาอันู้ยุกกรรมฐานมันเก่ากับเป็นกรรมฐานอยู่แล้ววะก้มแก่ข้มเกี้ยก้มตายกับเต็มโตยุ่นนวาสนาวที่ไปบวชเป็ไหสนามวา ว่าสั่การ่ให้ไปโยปลาว่าใช่ไม่ให้ไปโยปลาว่าอะไรมันไปโยปลามันไปเฮดกระต๊อกลม่มันเป็นที่สุ่มส่อนของโจรไ่ใช่สุ่มส่อนของข้ามวนิจไม่ใช่โจรมันว่ายืนยันว่าสีโยปลาว่ยืนยันว่าสิโยบ้านเด๋ขหน่อยว่าย่ในกรุงเทพพิ้นแห้งหลายว่ามันโยหัวใจคนถังว่าตัวละอ่างช่ คันสิเปตีกันน้ำเหมือนกับปพื่อเชี่ยว ม, มากเขาเปเพื่อนเธอเอันเฉียงหายเชียงหน้าเขาเนี่บอถือสัมผาเขาไว้สัญญาตัวอ่ะไว้อีกเพนตนกนกเมื่อยุ่เนกเมื่อยิ้มพอกโครฉิเลยเขาบ่ลครง่ายง่สแท้เพื่นเพ่นว่าส่เพาเพ่นม ง, งจักเพ่นถามเขาว่าจิตอบมาจังไหเพ่าคั น, าา น, น, น, น, นสิเอเนี้ยเมือเพื่อนจักเ้นี่ เขาปฏิตีข on on ้อไม้พน like right? ิชหงจักเน่ห้องหงจักเขาปฏิตีข้อไม้พนักมันไปรักหูลักตายโยปายมันหงจักขี่ดังเรื่องบ่อพนักพนิชถามประมาณเท่าเี้เขาไปได้ตอบเพียงเพียงแล้วบ้านพ่อก็คืนซ้ำละบ่อห้ยกมือพ่อห้องอะไรตอบว่าได้ตอบแบบครูตั้งไว้เอกนกยกมือพ่อต่อเยี่มพ่อถือเป็นคนกันเองถือเป็นพ่อกับลูกสนทนากัน ว่าพ่อสันว่าหาาสันหมาเศ้าอยู่วะสันสิเศ้าจังไหนขอน่อยพ่สันขน่อยพ่เร้าได้เพื remember, ana, ่อนส getan, allemaal, halten, ิเศร้าก็เร้าทำไม่้ขอน่อยพ่เศ้าว่ะเอาไปคาเ้าไป้าขอน่อยพ่เศ้าดิ่อสันขณะเป็นตอยุยุหอดมือตายว่เป็นตายุหาหน้าที่กับวัยุวะสันเน่ยมันไปยุวันวันไม่ทำเนียบเนี่ยพ่าสันเพื่อพะเจ้ากับสอนอเดีขอหน่อยวา ถ้าไม่มีทำเนียบอย่าไปรรษาเนอพระพุทธเจ้าว่าแต่ว่าถ้าม่ให้จรพรรษาในกบกท่อมผีในในคบในคาในตุ่มในโพร ง, งเฉยๆป่ะเรืองตรงนั้นแล้วจะเสียตบควนมาไง ม, มันไม่ทาเนียบจะไปจำพรรษาพระพุทธเจ้าก็าด้ว่าเรียกาหน่อยว่าจจำพรรษาห้มปประตูปิดเปิดเขาออกประตูพาเสียบตองก็ตามวะห้าหรัวสิห้าเนี่ยห้าวา่า อ๋อนอกไปเงนี่ยทยงานก็ัดพระเอกพระกุ้มกุ้นจะไปยุกรรมฐานเลยเหรอพรไใจปีรกมันกับมคบเดยวัจัยเครื่องอาศัยของมันไปเช็ดเลือดนิสัยมีสามอย่างเห็มานบอกว่ายุปาเบาเบาเปล่าะถ้าชักข้าส่วนเบาเรื่องยุปา่ะนิพพิจิกกับแสดงยุปาเหมือนกับผู้ทีเจ้าเกิดในปาะ สแสดงถ้ามจาจักกันให้ไปสืพัฒ น, นาเมตธาญาวันปวงอายุสังขารกับเวรวนสวนในไปสิ้นแล้วปานกษัริย์นวโนทยานทางท้งเทตะวันออกของวังกุสศล ร, ราชผมก็จะเจ้าก็บทอดป้าไว้แล้วเนี่ยวะยินดีในเสนาสนะป่าทางว่าเนี่ยะยินดีนในตลาดตรงไปกลางกดกลางมุ่งในตลาดเวได้ว่าเรื่ขน่อยว่าะอภิษฐานนี่ถ้ำเหมันเนี่ขหน่อยวะ <S <S <S อ่ททยวะทําให้เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพราะความจเจริญฝ่าเดียว เดี๋ยวนี้นี่จะว่าแต่เฉพาะข้อที่จําเป็นไม่บรรยัติสิ่งที่พระเจ้าบัรยัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์สมบัติได้แล้วยินดีในเสนาสนัป่าตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนทีคือสมัยซึ่งมันผู้มีศีลที่ยังไม่มาสวอว่าคอยมาที่มาแล้วคอยอยู่เป็นสุกเป็นสุขําเหล่านี้มีอยู่ในผู้ใดเพื่อนั้นไมนมีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวเอาไปหายัางทำก็ ม, มีอยู่จะผัดซ่าป่ะนะ ล่องไปสิบเกียรติท่นานาเขน่อยวะโอ้หพ่อมันทิธิมาลนะัเกงน่นอาอัจใกไปนอยยกเขาว่าเาบสิงเอ๊พระเดชทุกขึ้นวะขาน่อยหอวใจรู้เดี๋ยวนี้หัวาจว่าท่านจะพุณร่องเขานอยขาน อ, นอก็จะตอบอ ย, อย่างนี่นนวะว่าเขาน่อยมื่อเดตีข้อหมาว่าท่านจะคุ่งมาหัเเดี๋ยวนี้วะเขาน่อยตอบยา่างพึงพายซือได้นี่วะเขาหน่อยนักไปท่านนะ่ะอ้าวข้ า, าวไปเดียววัน น, นี้า้ารองมันก็คอดอกมูกโมันสิตอบได้ไ่มาจักเป็นบ ันน่าเก่งจะได้เพนเพลนกรลองนี่ี่บนเพนพงจักวันเนาะปริยัตปฏิบัตปฏิเวทเนี่ยกนไนะขันนี้ตะปริยัตไม่มีปฏิบัตที่เอาปฏิเวทมาจากพตัวไหนก็ว่าสินะฮอบสามยังม่ได้วนี่่านำเข้าไปเรียกเท่าในท่าอะไรไว่็นเขาเพลินหลอหมอกหล่อเพลินเพล่นหลอกมือมุวยเฮาดังมวยเอกพราแห้งหลอกมืมยเฮจะสลัดจะได้ผ่านักเรียนว่คนโมโหเนี ถ้านักเรียนว่าคตรงงๆเลสลเ่ไปไปหเมื่อต ER ัวเป็นซุบเป็นซุบก็ทั้งมาเนอทำเพี้ยงตีนสมเพี้ยงตาทำเพียงตายสมเพียงฝ่าทำเพงฝ่ายเขาโทพญาพานเนอบุญพพ่อไปโู่พาพานในกลางไหนบุญพพ่อบาปตะละพพ่ออยู่ในตัว กันบุญพ่อบาปกระละพ่ออยู่ในตัวไอ้ว่า่นเถาะขันมืดตาพ่อมันก็ขับข้อมืดไปได้ตัวว่าท่นเถาะพระโสมโกนี้พ่อร่างขันวัดปัตชนาถันิพภาณการปฏิวัติพระพุทธศาสนากับว่ามีก้อหมายอา๋อเป็นโลกียะเกตนาอา๋สิมนามโมเล็กนโมผานโมวัดนโมเบอร์เนี่ยมันแทงไก่พระญาภาณลูกหมดลูกสัมพธสมโก ไอ้เจ้าเรื่ยรื่มึงว่าจะหัวน่ะฟาดพุกมึงด้เรอเจ้านั่งเอียงมันเป็นข้นมันเป็นค้นมันเป็นขนมันเป็นข้นนั่งเอียมมันเป็นคนเขาถึงพาะกรรมฐานเนง่ายตอนนี้มันเขาถึงเลยโงี้นี่งเอียงขนาดหัวหนาย่ายง่ายโมโต ให้ออนังเอี่ยมเนเป็นไม่อาศัยใบบุญเพื่อนเลยอาจารย์นากเอี่ยมมันเป็นมันมันเป็นนันวิศว์ขาตัวนังเอี่ยมเป็นขวอหนาเป็นขัวหนาพุทธบริษัทได้ตัวควนยังไหนก็ขวนยังไหนมันหัวจ๋านนัเอี่ยมรักปีตัววันน้มาตั้งเสาชล่าโอ นนเนราห้องมีหน่อยใช่ไหมแปดชิพละพระองค์เจ้าห้องก็ แ, แปดชิพละกันแปดชิพแล้ ว, ก, ล ก, ก, ล ว, ก, ว, วก็ต้องเกี่ยมตัวตายอะแกมเกียมตัวตายก็คือภาวนาเดี๋ยวว่าเกี่ยมตัวตายตายว่ตายข้าภระวานาเดี๋ยวก็ตายว่เป็นเติดว่าพระเัติภะวานาว่าพระเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดี๋ยวว่เติดว่าเป็นเดี๋ยวว่าเสียชีวิตคําสอนในไตโรคาถาเก็นยวกับขืนข้าสอนพระพุทธศาสนาเมื่อ โดยบรูตัวแม่น้ำหัวน้องข้องบุญบางไรลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยบรูตัวคําสอนดใดๆไร้ลงสูง่คำสอนพระพุทธศาสนาะโดยบรูตัวว่าขืนกัปภูว่าขืนกัปภูบรูเป็นจริงหรือไว่เนเพร่านเรียกว่าอริยสัพเรียกว่าอริยสัพในไฟมาาัคคัศสั์อริยสัพเจือเอวันติอริยวัตตังตัวดาสากาลังยะท่าภูตังญาณดับส מ ง สุวิสุทธังอโหสิเมวตาวาหังพิกาวสะเดวะเกโรเกสมาระเกสพรรมเกสัมพนธรั ม, มนยิยายะสะเดว่ามนุษายญอนุตตรังสมมาสมบทิงอภิสมุทธธปัจจัญญาสิ่งธรรมจักกัปวัตถะ น, นัสูดครบแอดหมื่นี่พระธรรมขันธ์หรือไม่มีปัญหานักธรรมเอกสอดเข้ามาว่า ขั้งพุท ธ, ธาการวาราชิกสียังไม่ทันบัญญัติสังขารทิเศตที่สามอันนี้อนสองนิทะเคปายตีสามสิบปายตีตอที่สองปฏิเทศนิยสีเสเีวัชยที่ห้าอ ธ, 2, ธิกรา 30, รณ ะ, 42, ระสมัติ 5, มีเจ็ 7. พุท ธ, ธบัญญัติกับอภิสมาตาราจารยังไม่บัญญัติสังขายยายเบื้องต้นก็บอกว่าสังขายยายนะาวนยก่อนพระวิยัยนีอยู่ที่ไหน เรื่องต้นยังมาจบญญรรยัติก็สำเร็จพระรานมันมีศีลสมาธิปัญญากลมทืนกันอยู่แล้วเพราะเหตุใดเพราะอัตถังคิโกโมะโกเสยยะถีดังสมาธิสิสมาสังกรปรวาจากัมมันตโตอาชิววายามสติสมาธิมันเป็นศีลสิกขาสมาธิศิกขาปัญญาศิกขาอยู่ในตัวแล้วทาแต่ระวัดระบาด มันครบแปดหมื่นชีพรธรรมะขันแล้วเมื่อครบแปดหมื่นชีพรธรมรมะันมันก็ครบศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวยกประทานหอนเช่นภาวนาเพ่งรูปเป็นอารมณ์กรรมฐานในพระพุทธศาสนานี้มีสองกรรมฐานเท่านั้นคือเพ่งรูปเป็นอารมณ์เรียกวารูปกรรมฐานเพ่งอารูปเป็นอารมณ์เรียกอารมประกรรมฐาน ลูกกรรมฐ า, านก็เลยอารูกรรมฐ า, านก็เลยอยู่ใต้อำนาจอันจางเกิดขึ้นแล้ก็แ ป, ปรปวนแล้แก่สลายทำแต่ละวัดละบาทส่งต่อพระนิพพานหมดครบพระไตยไปหลกหมดนะโมตัวเดียวก็ครบพระไตัตยไปหลกแปลว่าน้อมน้อมอธิบายควาน้อมนอม้มดูสิน้อมนอมไปทางโลกุตละพระสวัสดิวันทศกาัาคามีนาคามีอรหันต์อรหันต์น้อมน้อมจนแม่เกิดมาเกิดแก่เกิดตายเพราะเรียนนะโมจบแลว้วต่ำกว่านั้นลงมาเรียนนะโมโยังไม่สิ้นสุด ท้างพุทธการก็เรียนถึงประโยชนเก้าเหมือนกันปฏิบัติถึงประโยชนเก้าเหมือนกันคือยังไงคือวัดสีน 4, น่ผลสี่นิพพานหนึ่งน่ะนิพพานในที่นี้ไหมเอาโนปาที่เสส น, นิพพานยิว่า น, นิพพานตายไม่ใช่นิพพานเป็นกรรมฐ า, ามแต่และอย่างแต่ละอย่างดึงมาใส่กันได้หมดเช่นสติปัฏฐานสี่ก็ดึงมาในคณะเดียวได้หมด อาอาณาวานสติพ e ิจารณาลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกคือกายานุปัสสนาเพราะเป็นเอกเทศของกายพิจารณากายลงจนถึงอนัตตาไม่ใช่สัตไม่ใช่บุคคลตัวตนแล้วเขาเป็นเพียงกายานุปัสสนาพิจารณาเวทนาพ้อมกับลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้าสวยเวทนาสุขทุกข์อุเบกขาอะไรเวลาหายใจออกสวยเวทนาสุขทุกข์อุเบกขาอะไรก็ให้รู้ว้ชัด โยคาวจรเวลาหายใจเข้าออกพิจารณาจิตที่สมองเลือดสองแพร่ให้รู้จักก็เป็นวาจิตตานุปัฏนาแล้วพิจารณาลมหายใจเข้าออกให้เห็นธรรมานุพัฏนาความเกิดขึ้นแปรปรวนแฉลบสลายของลมหายใจเข้าออกพอบัญญาตั้งต้นลมก็กลายมาเป็นกลางลมพอปัญญาตั้งกลางลมก็กลายมาเป็นท่ายลมแล้วความเกิดขึ้นหาระหว่างไม่ได้ความแปรปรวนหาหน่วงไม่ได้ความกลับไปหาระหว่างไม่ได้ไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายในลมหายใจเข้าออก ก็เป็นธรรมมานละกันาอยู่แล้วนักนทีนี้หลวงพ่แกเข้าออกครั้งเดียวก็มีทั้งคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตรมตื่นกันหาประมาณไม่ได้หลวงพ่อแก่เข้าออกก็มีความแก่ความเจ็บความตายหาประมาณไม่ได้มีอันนี้จังทุกขังอนัตตาหาประมาณไม่ได้มีมรรคผลนิพพานหาระวางไม่ได้ความเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหาระหวางไม่ได้ความแปรปวนก็แปรปวนหาระวางไม่ได้ความดับก็ดับหาระหวางไม่ได้ ควที่ไม่เกิดขึ้นแล้วไม่แปรปวนไม่ดับไปก็หาระหว่างไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราบรรญัติความแปรปวนความแปรปวนยังจะมีเราบัญญัติทําอันแม่ตายอันแม่ตายจะมีทำทั้งหลายมีอยู่ก่อนแล้วเราบรรญัติดินดินยังจะมีเราบรรยัติน้าน้ำยังจะมีเราบรรยัติไฟไฟยังจะมีเราบัญญัติลมลมยังจะมีไม่ใช่อย่างนั้นเพราะมันมีอยู่ก่อนแล้วจึงบัญญัติบัญยัติได้จิวานสิเอาตอบยังสูงเขาบอกตอบคือเขาเลยนะคำเอกคําโต้กระชากคำตีกรตางเขาบอกตอบคือเขาว่า แต่ว่าห่งหางถือว่านี้รัแต่ที่อธิบายให้ลบก็รับกันอีกถ้าอย่างนั้นทําอะมะปฏิสัมพทาแต่ชันนี่ยอาจจะทำไม่ไหวทำไมถืวมอว่าเอาทีย้อนมันก็ไม่เช่อหนึ่งนีแต่เรียนด้วยปฏิบัติมันก็เป็นช่อนที่ไม่รู้จักรถแกงแล้วก็อาเสียถือว่าเพีเพียงโหลดตักวันยังข้ามก็ไม่รู้จักทั่งเรียนด้วยทั้งปฏิบัติด้วยก็รู้จักรถแกงก็รู้จัดเหมือนลิ้นที่รู้จัดรถแกงถือว่าเสีย ไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพระบรมศาสนาก็ยืนยันแน่เพราะเห็นไดข้าวเสียเอานี่ท่านของข้าวเสียเอาประวัติของพระจักกุบาลมั่าเพื่อนพระจักกุบาลว่าเถ่าแล้วเมื่อจะช่างฝ่ายปฏิบัติบอกว่าท่าคท่านฝ่ายพระท่นงานใน่พระพุทธศาสานามีสองยาที่จะไปปฏิบัติพอเถ่าแล้วปฏิบัติปฏิบัติมีงานยังไงมีงานอ า, านนที่ ปฏิบัติเนี่เล <buried'> ็กๆน้อยๆแล้วกันปฏิบัติโรดัมันเป็นยังไงก็ขน่ยเร่องัวไรได้กินนุ่มรนร้อนหจักรอแกงเลยั่เฮ้ารอกั <amplify characteristics> ่เลียนเ็ดยังไงขน่อยขันท้าทายสั่เท่าประเทศไทยใส่หอยเลี้ยนมหจักมดเลยั่โอ้ยคว่าสั่งเขนอยก็ไ่ไหวแล้วขานอยที่เอาท่าปฏิบัติตอบเขาแล้วว่าสั่งเลี้ยงทหารด้วยตัวนีก็ว่าว่าเก่าประหยัดน่ะ ปฏิญาติขยัดเข่ากายปริญัติเขาว่ายขาปริญัติเข้าใจด้ยพระสูตรกับสูตของกายของว่ายกายของกายพระธัรมพระปรมัติกรพระธัรเข่ากายว่ายขาใจเอาเขาย่ไรกับเขาไม่ได้กายว่าจขาใจนะเราไม่ได้เป็นทําใดหรือไม่ก็เป็นทําใดอยู่ปราราชิการธรรมานี่สังขาริเทศธาธรรมานี่อ๋อเป็นทําด้านหยาบอ๋อสามารถที่เป็นทํายากด่านกลางปัญญาเป็นทําด้านสุดท้ายอ๋อสา่งธรรมะที่ปัญญาแยกออกกันได้แบบว่าไร ชิ้นหาแย่ออกกันชิแยออกให้เพื่อให้สงผูมคือเพื่อใ้าคือตสีสูงสมาธิกร่วปัญญาวนหมกันชิ้นพระสดาบันสมาธิชิ้นสมาธิปัญญาพระสวาบันิ้นสมาธิปัญญาพระสทาคามีิ้นสมาธิปัญญาพระอนาคามีชิ้นสมาธิปัญญาพระอนาคามิเอามาเทียบกันไ่อได้มันแย่ค่ายออกกันจะว่ายังไงน่แล้วมันตัวก็เขาเอาอยู่ที่เหตุเขาลงส่งอยู่ที่ตัวสมาธิกับเหตุเขาลงสร้างอยู่ที่ ตัวปัญญาเขาเร่งเชื่อมโยงว่าแม้นก็ตัวเดียวกันคนมันยักขยายออกในห้องของเจ้าก็คือนังเนื้อเอ็นกระดูกก็อาศัยขึ้นกันแล้กันอยู่นะแยกกันเมื่อไรยีนนับพระรลกอาศัยขึ้นกันแล้วกันด้วยแยกออกกันเพื่อให้มันชัดเจือเพื่อสมทนาคือสิ่งไห้นจะเป็นของแข็งสิ่งนั้นก็เป็นปฐวีธาตุสิ่งไหนที่เป็นของเสื่อมทรามสิ่งนั้นก็เป็นเตโชธาตุสิ่งไห้นจะพัดไปมาก็เป็นวายาธาตุสิ่งนันที่มีความอบอุ่นและร้อนก็เป็นเตโชธาตุ อ้ที่แท้ินน้ําพายรมัสุปไปตุมกันอยู่อันน่เหมันกำมีร่มยูนามุนีเลยเ่อากาศธาตุมี้วนี่อันนี้พระเทวีธาตุแั็งๆอากาศธาตุธาตุธาตุวรโยธาขัดแ้ากันอยู่มือนี่เต้ทอธาตุกับวัดีกับมือรูปหอดเท่กันเนาะว่านี่นะนานาธาตุยาดังพระพุทธเจ้ารูปธาตุต่าง พระเนปานธาตุมรคธาตุมรค ธ, ธาตุก็ผลธาตุเหมือนกันกรรมเป็นเครื่องตัดวัฏฏะไม่ได้ตรตรมกรรมฝ่ายกุศลก็หมายพระอนาคามีเท่านั้นกรรมฝ่ายบาปก็ถึงโลกันตะนรกหรือมหาเวทีนรกส่วนพระอรหันต์จัดเป็นกรรมหรือไม่ ไม่จับเป็น ร, รมเพราะเป็นผลขาดตอนไม่เชื่อมมาจากเองโอ้มากอกแล้วฮะเนี่ยมาออกแล้วแง่พอพยศสาคุระบุตรง่าพอราชภาพแง่พอมหากัปะพเพราแม่บ้านเพิ่งอ้างพัฒกาพิรันนี แม่บ้านขั้นกทกี่ขึ้นกันแหะแม่แม่บ้านนั่งกุณฑาเกสีนั่งพระตาจาร่าพวกมนี้มิตรผัวเราในผัวเราทังนั้นแหละเป็นพระอรหันต์พวกแม่บ้านท่าเสมอเนี่ยแม่บ้านพ่อบ้านท่าเสมอเนี่ยมันก็คึ้นขั้นพระพุทธเจ้าพ่อบ้านโลกเอกแม่บ้านโลกเอกแม่นเมนาะ ถามก็บพกฟั่งแม่บอกผู้ทายกับรักเมียผู้ยิ่งกับรักผัวแม่บอกผู้บ ร, รักกับเมียอยู่ยกขายอยู่เรียกว่ามันสีไ่ไหมเหมือนเด้ฮ่า <laughs> บ่อยนั่งลง่องเพิ่งช่วงเสียงเบวๆแต่พอจะแปลงหนีแม่บอก <laughs> เราคู่พวกตวไว้หรอะห้าพวกตไปเรียนสู้กับเมียห้าพวกตไปเรียนสู้กับผัวไปเรียนสู้กับเมี ย, ย, น, ม ย, น, มยนี่ยตายไป ตอกมรรคจายม้มเทบาลเอาเล็กแดงมาเขือนองคชาเขือนท่องน้อยน้ํ า, าตบน้ำตั ว, ต, วตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดด้วยอแ ย, ยน่น่าตายแล้วเกิดขึ้นวิญญงานยังไม่หันเสียงแต่ภาษาเล่าฮ่องขาเลย่ยยาผ้ากันปลาอะไรขันว่าสันา่นขาก็ให้ไปโยปลา <c oughs> ว่ายไปยุปลาอะไรอมันไปยุบปลามันไปแฮกกระต๊่หรืมันเป็นที่ส่งสอนของโจรนะส่งสอนของข้อมนิดใชโจรมันว่ายืนยันว่าสียุบปลามันว่ายืนยันว่าสียุบบ้านเด๋ยวขาน่อยวะยุ่นในกรุงเทพพื่นแห้งหลายวามันยุบหัวใจคนเหรอวะตัวระวังสิคันจิตไปตีกระน้ำนีงคันกับไปเชื่อม้าเขาจะเพิ่มเทมิเอ็นช้างไเยชียงหน้าเขาไ่ก็้่ถือสัมผัสเขาว่าสัญญาตัว ออาไว้เอกเพิ่นตกนกเมื่อยเยอะเหรอนกเมื่อยยิ่งฟอมโคตรชื่อเลยเหอหลกโคนรง่ายเลยถ้าไมแท้เพิ่นเพิ่นว่าแทเพาิ่นบองหุจักเพิ่นถามห้าวว่าจะตอบมากจังไหน่เพิ่นวางสันชื่อเรือเนี่ยเหมือนเพิ่นบองหุจักนี่้าว้าไปตีข้อหมายเพิ่นบองหุจักนี้ห้าวหุจักก็เพิ่นตีข้อหมายหุจักมันไปรับหูวรับตายอยป้ามันหุจักขีดังนี้ย่งบ่เพิ่นวางสันเพิ่นถามประมาณเท่านด้เขาก็เลยตอบเพียงเพียอยงแล้วมาเนี่อ้อก็คืนซําแล้วบ่ห้า ยกมือพ่อ่มาเข้ากันได้ตอบว่าได้ตอบแบบครูนักวยเอกกันหรอกยกมือพ่อมต่อเยี่ยมพอมม่อ่อถือเป็นคนกันเองถือเป็นพ่อกับลูกสนทนากนันว่าขสั้นว่าหาสั้นให้มาเศราอยู่ว่าสัน้นสิเศร้าจังไหนขอน้อยว่าสั้นขอหน่อยว่าเศราได้เพื่อนสิเศร้าก็เศร้าทำไมขอหน่อยว่เศร้าว่าเดี๋ยวไปคาเอาไปสาขน่อยว่าเศร้าเลย ทำไเปล่ยนไอยู่หอดมือตายว่เป็นไปอยูห่หหน้าที่กั บ, บวัยุ่นเนีะมันไปอยู่วันบ่มีทำเงียบเนียน่ยไเพืพ่อพระเจ้ากับสอนเนยเดี๋ยานหน่อยว่าถ้าไม่มีท า, า, มาเนีบยบอย่าไปกรรมัาเอพราะพรเจ้าได้ว่าห้ามาม่ให้กรรมนสาในกระท่อมผีในในคบในคาในตุ่มในโพรงอะไร่างนี้เลยะเนื้อสองด้านแล้วแต่เสียงสมควระไ่นันบ่มีทำเนียบอย่าไปกรรบมัาพระพระเจ้าได้ว่าเดีขยนหน่อยว่า ลราจับมัตตาเหรอไม่ประตูปิดเปิดเข้าออกประตูพัะเสียบตองกระตามวะฮ้อนละว่าสเฮ้ละว่าเนาะเราไปอีกไปถ่ายงานก็ขัดพระเยบพระกุ้มกุ้นจะเป็นยุบกรรมฐานเลยหพระใจไปดกมันกับบคคลเร่อเลยท่านพระัยเครื่องอาศัยของมันไปเช็ดเลือดนิสัยมีสามอย่างเคย่ากันบอกว่าอยู่ปลาเบาเบาบอว่า ชาชักข้าวดก็บเาเรื่องโยปาวมีพระชิดกับแสดยงยยปาเหมือนหพุทธเจ้ากเกิดในปาวแสดงธรรมช า, า ก, กินในปายสิพัฒนาเมทธาญาวันปองอายุสังขารกับเวรวน้นสวนในปัยสิ้นล้ปางกระสาหนุ น, นทยานทา้งทิศตะวันออกของวลวงุทินาพระลพุทธเจ้าก็ทอดปาไว้แล้วเ้ว่ยินดีในเสนาสนป่าทางว่าเสนวะยินดีในตลาดตรงไปกลางกดจังมุ่งในตลาดบดาได้วานด้ขน่อยวะ เอาปหานี่ยทำเหมัอนนี้พอหน่อยว่าทำให้เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปพระความเจริญฝ่ายเดียวเดี๋ยวนี้นี้อย่ว่าแต่เฉพาะข้อที่จําเป็นไม่บัญญัติสิ่งที่พระเจ้ามัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วยินดีในแคนาสนัป่าตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนที่คือสมัยซึ่งมันทูมีศีลที่ยังไม่มาถว่าคอยมาที่มาเรีวคอยอยู่เป็นจุกเป็นจุกทาเหล่านี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นมันมีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว ไปหายะถ้ามก็มีอยูย่จากพรรษาไปนะล่วงไปทิเก็ดพัรษาขอหน่อยวะโอ้เพ่อมันทิถีมาหนะักเก่งแนออ่นอนจาดเป็นวะโยเขาว่าตอบข้อผิงเยอะประเดีุยวเาพดะขนอยหัวใจรู้เยีางไรหัวใจะว่าท่านจะพุ่ร่องขน่อยเขน่อยก็ ต, อ, ตอบอยางอะไรวะเม่อเขน้อยม่อจะตีข้อหมายว่าท่านจะพุ่ง่หจได้เดี๋ยวนี้วขน้อยตอบยางเพิ่อน่ายจะคือได้ไหวะเพราะนักไปยังสันะออนะหุ้อาคาห์บริกา ก็ลองมือลอมูตัวว่าิจอบได้มาสั่งเา็นลาบปาเกมจะได้เพลินเพลนก็ลองนี่ทีบนเพนพวหจักวันเนาะรย์ปฏิบัติปฏิเวทนี่ยอะไนะขันนีแต่ภรย์ยัดไม่ปฏิบัติที่เอาปฏิเวทมาจากพักตูไหนก็ว่านแลห้องซักทสามแห่งไม่ได้มานำเข้าไปเรียบร้อในท่าในเราวันเ็วาของเพลินล่อหมอกลเพล่นเพลนลอกมือมุวยเหาังมุวยเอกแห้งลอกมือม้ย อ้าวสลัดเธอได้ผ่านนักเรียนว่าบาคนมัวงเนี่ยานักเรียนว่าคนมัวงูเนียสลัดเธอได้ไปไปาห้เมื่อตัวเป็นชุบเป็นชุบก็ถึงมาเด้วทำเพียงตีนชุงเพียงตาทำเพียงตายชุเพียงฝ่าทำเพงฝ่าขอโาภญาภาพเนาะบุญพรพ่อสไปโชคลาภาในังไหนบุญพระพ่อบาปกรละพรพออยู่ในตัว คันบนพ่อบาปกระละพ่อเยอะในตัวไอ้างขันเถาะขันมืดตาพ่อเมื่อกับขับข้อมืดไปในตัวไอ้บ้างขันเถาะพระโจ้โสมุสโกนีพ่อร่างขันบัปรัถนาถึงพระนิพพานการปฏปิวัติพระพุทธศาสนากับผูมีวามหมายอ๋เป็นโลกียะเกตนาอ๋อสิมนามโมเล็กนโม้านโมวันวเบอเนี่ยมันแทงไก่พระนิพพา น, นลกหมดล้วพุก้ำไปพรเจ้โมุรโก เจ้าหรือเรื่อว่าจะหัวฟาดโค้งมันควแหรอเจ้านั่งเอียมมันเป็นคนมันเป็นข้นมันเป็นท่นมันเป็นคนนั่งเอียมมันเป็นคนเข่าถึงพระกรรมฐานอย่าง่ายตอนนี้มันเข่าถึงเลยโมโหเนี่น่งเอียมนั่นหมายว่านายง่ายโมโม่ให้อานั่งเอียมน่ะเป็นเออนั่งเอียมมันเป็นมัน มันเป็นนั่งวิศขาตัวนังเอี่ยมเป็นหัวหนา้ามันเป็นหัวหนา้าพุทธบริษัทได้ตัวควนจังไหนก็ขวนจังไห น, ห น, ไหนมันหูวจ้างก็นังเอี่ยมว่าขอสองสองโมงสามสมองโมงทำได้ห้าเสมอมันจวนเวลาแหละเวลาสายยันตะวันเย็นยึบตียึบตีต้องรับขอบฟ้าเวลาห้องเมียหน่อยเสมอแปดทิฟล่ะพระองค์เจ้าห้องกาแฟทิฟล่ะมันแปดทิฟล้วมัก็ต้องเตรียมตัวตายอ่ะ กมือเกียร์ตัวตายคือภาวนาเดี๋ยวว่าเกียมตัวตายตายว่าตายข้าภาวนาเดี๋ยวว่ตายว่าเป็นเกิดว่าปฏิบัติภรวนาว่าปฏิบัติพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดี๋ยวว่าเกิดวาาา่าเป็นเดี๋ยวยาายว่า เ, เ, เ, เสียชีวิตคําสอนในไตโรกถาเป็นว่าขืนข้าสอนพระพุทธศาสนาเมื่อโดยว่รู้ตัวแม่นามหาน้องค่องบุญบางไรลงสู่มหาสมุทรเลโดยว่ารู้ตัว คำสอนได้อะไรต้องฟูงคำสอนพระพุทธศาสนาโดยบระล่ตัวบกขึ้น <Jub> ก <ilee> so hmm, like ับผู้บกขึนกับพู้บลุเป็นจินจ่อมม่งเรียกว่ามุขเรียกว่าอริยสั์เรียกว่าอริยสัตจในฝ่ายมรรคสัจอริยสัจเจเอวอวันติอริยวัดตังโดยท่ากาลังยะท่าผูตังงานัดสแงงสวยสุดทางอโหสิเนวตาวหังพิฆวิสะเดวะเกโรเกสมาระเก สับรัมเกสัตตะรัมมานียาพชายะสะเดยวมนุสชายอนุตรังสมาสมบทิออภิสั ม, ม, ส ม, บ, มบุตรุปปัจจัญญาซิ่งธรรมมาจา ก, กปะปวัตนสูขแปดหน่วยเทพระธรรมขันธหรือไม่มีปัญหานักธรรมเอกสอดเข้ามาว่าขั้งพุทธกายวาราชตสียังไม่ทันบัญญัตทั้งภาชิตเศสิสารอนันยัสอง นี่จะเคียปฏิทีสามสิบปฏีพันสิบสองปฏิทีเจษณาสิเจยวะเจษเพ่าอธิกรณะสมรรถมีเก็บพุทธบัญญัติกับอภิธรรมาก า, ารยานยังไม่บัญญัติสังขายยายเมื่อต้นก็บอกว่าสังขาย น, นายนเพราะในปอพระวิไนยมีอยู่ที่ไหนเรื่องต้นยังไม่จะบัญญัติก็สําเร็จพระรหัสมันมีเสียงสมาธิปัญญากลมเกื่นกันอยู่แลยเพราะเหตุใด ขาอัตงคิโกมักโกเสยญาติดัง ส, ส, ส, สมาดิ <fun c oughs> <adviser. S 2> สิสมาสังกปรวาจากรรมันโตอาชโววายามุสติสมาธิมันเป็นศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาอยู่ในตัวแล้วทำแต่ะวัดระบาดมันครบแปดหมื่นสีพระธรรมขันธ์แล้วเมื่อครบแปดหมื่นสีพระธรรมขันธ์มันก็ครบศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวยกประหาร เช่นภาวนาเพ่งรูปเป็นอารมณ์กรรมฐานในพระพุทธศาสนานี้มีสองกรรมฐานเท่านั้นคือเพ่งรูปเป็นอารมณ์เรียกว่ารูป ก, กรรมฐานเพ่งอารมณเป็นอารมณ์เรียกอารมประกรมกกรมฐานรูปกรรมฐานกรณีอารมณ ก, กรรมฐานกรณีอยู่ใต้อํานาจอันการเกิดเสนาภะแปรพ น, นและแฉไลทำแต่ละวัตรบาทส่ตงต่อเขาในพานหมดครอบพระไตไปหมดหน้าโมตัวเดียวก็ครบพระไตไปหมดแปลว่านอบนอบ้อมอธิบายความนอบน้อมดูสิ น้อมๆไปทางโลกุตระพระสวัสดิวันพระกถาคาเมอยนาคาเมียอรหันอรหันน้อมๆจนแม่เกิดมาเกิดแก่จะตายเพราะเรียนนะโมยจบแล้วตัมก่อนนั่นลงมาเรียนนะโมยยังไม่สันจบขั้งพุทธการก็เรียนถึงประโยชนเก้าเหมือนกันปฏิบัติถึงประโยชนเก้าเหมือนกันคือยังไงคือมัดสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่พานในที่นี้ไหมเอาเอานืปาไปเสสนนิพพานเนื้อพา น, นิพพ า, านตายไม่ใช่นิพพานเป็น ก็มาถามแจได้อย่างได้อย่างดึงมาใส่กันได้มดัดเช่นสติปัฏฐานสี่ก็ดึงมาในคณะเดียวได้มดัดเอ้าอานาบานาสติพิจนาลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกคือกายานุปัสสนาเขาเป็นเอกเทศของกายพิจารณากายลงจนถึงอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเตียงกายานุปัสสนาพิจารณาเวทนาพร้อมกับลมหายใจเข้าออก เวลาหายใจเข้าสวยเวทนาสุขทุกขเวทขาอะไรเวลาหายใจออกสวยเวทนาสุขทุกขเวทขาอะไรก็ให้รู้ชัดโยคาวจรเวลาหายใจเข้าออกพกาากิจารณาจิตที่สมองด้วยฟองแพร่ให้รู้จักก็เรียกว่าจิตตานุปกัญนาเนี่ยพิจารณาลมหายใจเข้าออกให้เห็นธรรมานุวัชนาความเกิดขึ้นแปรปรวนนั่นแตบสลายของลมหายใจเข้าออกพอบัญญาต้นลมก็กลายมาเป็นกลางลง พอบรรดาักกลางลมก็กลายมาเป็นท่าลมแล้วความเกิดขึ้นหาระหว่างไม่ได้ความแปลปวนหาระหว่างไม่ได้ความรับไปหาระหว่างไม่ได้ไม่มีเงินต้นเงินปลายในลมหายใจที่ออกก็เป็นธรร ม, มานุปัตรนายอยู่แล้นั่นทีนี้ลมหายใจเข้าออกข้างเดียวก็มีทั้งคุณพระพุทธธรรมประสงค์ตรงตืน ก, กันหาประมาณไม่ได้ลมหายใจเข้าออกก็มีความแก่ความเจ็บความตายหาประมาณไม่ได้ มีอนิจจังทุกขังอนัตตาหาระวางไม่ได้มีมรรคผลนิพพานหาระวางไม่ได้ความเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหาระว่างไม่ได้ความแปรปวนก็แปรปวนหาระวางไม่ได้ความดับก็ดับหาระวางไม่ได้ความที่ไม่เกิดขึ้นและไม่แปรปวนไม่ดับไปก็หาระวางไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราบัญญัติความแปรปวนความแปรปวนยังจะมีเราบัญญัติทำอันแม่ตายอันแม่ตายจังมีทำทั้งหลายมีอยู่ก่อนแล้วเราบัญญัติดินดินยังจะมีเราบัญญัติน้าน้ำยึงจะมีเราบัญญัติไฟไฟยังจะมีเราบัญญัติลมลมยังจะมี ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะมันมีอยู่ก่อนแล้วจึงบัดมันอยากได้เจวารเสาตอบอย่างสูเขาบอตอบเพ่อเขาเลยนะคาเ อ, คเ อ, คอกคโต๊ารย์ตีกระต่าเพราะมาตอบเพื่อเขาไหวแต่ว่าหัางที่ว่าไห้นี้รัแต่ที่อธิบ า, ายไห้เลิกก็รับ ก, กันอีกถ้าอย่างนั้นทาอัมะปฏิสัมพิทาแต่ชาเนี่อาจารย์ไม่ไหวทาไมหรือนนว่าเฮาจวนจะเขีนมีแต่เตรียนไม่ปฏิบัติมันก็เป็นช่อนที่ไม่รู้จักรวดแกงแล้วกว็อภเษกเจวาเพียงเพงหลด จัดวันยังทาก็ไม่รู้จักทั้งเรียนด้วยทั้งปฏิบัติด้วยก็รู้จักรถแกงก็รู้จักเหมือนลิ้นที่รู้จักรถแกงสิว่างสิไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพราบรมสารีราตรยืนยันีล้วเขาเหตุไดข้อเสียอา น, นชัน่นของข้อเสียอภวัตของพักจ้าคู่บานมะข่าเพลินพระจ้กคูบาากค่บานว่าเท่าแล้วเม่อจากทา้งฝ่ายปฏิบับติดอกว่าท่านคันฝ่ายพักคัน งานใน่พระพุทธศาสนามีสองยา่างที่จะไปปฏิบัตินะพอเถ่าแล้วปริบัติปฏิบัติไม่ีงานยังไงมีงานหนึ่ที่ปฏิบัติเนี่ที่งานเล็กๆ น, น้อยๆนะคปฏิบัติรถนะครับมันเป็นเ ร, ร่องไหนกันหน่อยนะอย่างงัวไลยได้ใใกินนุม่มร้อนซ้อนหูวจักรดแกงแลกกกเลยครับอ้คารวะท่เลี้ยนในเห็ดยังไงขน่อย ข, นอยขันท้าทายสฮ้องไปไทไเทลไให้เลี้ยนมหูวจักมิดไ โอ elephant, coming, Spain, iday, ๊ยขาวัตถันคน้อยก็ไ่ไหวแล้วคน้อยที่เอาท่าปฏิบัติออกเข่าแล้ววะสัต้องเร็ยกพระหันนะัจจเนี่กะบ่อาควบเก้าะิยัตินะปฏิยัติกะยัดเขากายปริยัติเขาว่าจะปฏิยัติเข้าใจด้ยพระสูตรสูตรของกายของไหวาใจของกายพระรมบัตรพระปรรมัตรกับพระธรรากายว้ใจเนี่ยเขาจได้กับเไม่ได้กายไหว้ใจนะเขาจะได้เป็นท้ำใดหรือไม่ก็เป็นถ้ำใดอยู่พระราชกาธรรมานี่สังขารเสด็จพระธรรมานี่เอา เป็นถ้ำด้านยาบเนี่ยอ๋อสมาธิเป็นถ้ำยาด้านกลางปัญญาเป็นทําด้านทุตทายอ๋อเสียงสมาธิปัญญาเงีออกกันไม่บบไใดเสี้อเนี่ยออกกันแต่ออกให้เพื่อให้สมภูมิพื่อเพื่อหัวใจคือกันสียงสูงสมาธิกรส่วนปัญญาก็ส่วนกันเียงพระสวดธรสมาธิเสียงสมาธิปัญญาพระสวรเสียงสมาธิปัญญาพระสกาามีเสียงสมาธิปัญญาพระนาคามีเสียงสมาธิปัญญาพระนาหันเอามาเทียบกัน่บัไใดมันเยบใครก็กาว่าันได้เน่นนแล้วมันตัวสีกับขาเมาอย่งี่ เขาล่องส่งเงี้ยพีสมาร์ที่กับเฮ็ดเขาล่องสร้างเงี้ยพี่โตปัญญากับเฮ็ดเขาเลียนเชื่องเงี้ยพีนน่่นี้ยนั่นก็ตัวเดียวกันแล้วเพื่อนมันยัดขยายออกให้ห้องขอาจารก็คือหนังเนื้อเองกระดูกก็าอาศัยซึ่งกันและกันอยู่นะแยากกาันเมื่อไรยีนนำไฟล์ต้องอาศัยซึ่งกันและกันด้วยแยกออกจากเพื่อให้มันชัดเจือเพื่อสมฐานะคือสิ่งไหนที่เป็นของแข็งสิ่งนั้นก็เป็นปฐวีธาตุสิ่งไหนที่เป็นของเสือมสภาพสิ่งนั้นก็เป็นเศษชกออโปปะธาตุ สิ่งไหนที่พัดไปมาก็เป็นวายโธาสิ่งไหนที่มีความอบอุ่นและร้อนก็เป็นเตโชธาสิ่งที่แท่นิดน้ไาไฟรมสุกประชุมกันอยู่นั้นี่มันจะมีร่มอยู่นมนีได้อากาศธาตุนะีเนีอันนี้พระทวีธาตุกันข้างอากาศธาตุอากาศธาตุอายุธาตุพัดไปมาอุธรมนีเตโชธาตุเอามาสีกันมรนรู้กับหอนก็ได้ไหมนวางเลยนนานาธ า, าตุยานัง พระพุทธเจ้ารูปธาตุต่างๆพระเนพานาธาตุมรรคธาตุมรรคธาตุก็ผลธาตุเหมือนกันกรรมเป็นเครื่องตัดวัตตะ ไ, ไม่ได้กรรมกรรมฝ่ายกุศลก็หมายพระอนาคามีเท่านั้นกรรมฝ่ายบาปก็ถึงโลกันตะนรกหรือมหาเวจีนรกส่วนพระราหัน จับเป็นกรรมหรอือไม่ไม่จับเป็นกรรมเพราะเป็นผลขาดตอนไม่เชื่อมมาจากอดีตโอ้มาอีกแล้วอันนี้มาอีกแล้วอาโน น, ม, น, นมหาโมฆะลาสาริบุษเพิ่นเป็นมหาพระรหันมู้เฮาเป็นมหาเิเลตโมเฮ้าแม่นบ่มหาโลกมหาโกดมหาหลงโมเฮ้าแม่นบ่มหาโมฆะลามหาสาริบุษมหาอาโนน เป็นมหาพระรหัสทั้งนั้นมูเห่าเป็นมหาโล ก, ม ห, กมหาโกดมหาหลงแม่่นบอกหญ่ า, าพ่อพบุตะเก่าไม่หลบพนเองหาพ่อพยศสาคุลระบุตหญ้าพ่อราธพาพ้าห้าพ่อมหากัตตะเพพาอแม่บ้านเพิ่งนางพระตกาปิลานี่แม่บ้าน่งไตะกี้คือนคะ แม่แม่บ้านนั่งกุณธรเกษีนังพรตาจาร่าพวกมวกนี้ไม่จะผัวเราเด็ผัวเราทั้งนั้นละเป็นพระอรหันต์พวกเลยแม่บ้านเฮาสมเออนี่แม่บ้านพ่อบ้านเฮาสมเออนี่มันก็คือขั้งพระพุทธเจ้าพ่อบ้านโ ed, adop, packing, รคเอกแม่บ้านโลกเอกแม่นบ่กหามก็บพฟั่งแม่นบอกผู้ซ้ายกับรักเมียผู้ยิ่งกับรักผัวแม่นบ่ ผู้บรักกัมียโยโย่ไขยยเลามันสียไม้มือเด้บ่อยนั่งลงพจิตรังเสียงประมวลแต่เาจะแกลงนหนีม่้อเอาครูพวกตัวใหอกห้าพวกตัวไปเรียนสู่กับเมียห้าพอตัไปเรียนสู่กับผัวไปเรียนสู่กับเมียตายไปตกมอละหกจายม้มทบาเอาเล็กแดงมาเขือนเอาองคชาตเขือนทองน้อย น้ำต้นน้ำโตตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเมื่อแย่นาตายแล้วเกิดขึ้นวญญนิ่งยางยั่งม่หันเสียงในภาษาเราสงสารเลยยาผ้ากันปรมาดอะไา้ากันปริบัติสียธรรมซะตัพุทธเจ้าไปฉันนาหอนำ้ำข้าวเอาไปไปเอไปเพื่นร่ําเอกสารประโยคนตัวไหแม่นมอพัทธโมกันโด พระหัววัะนาออกไปจากเอกาวัชนาสัพนานออกไปจากเอกานามโยนลงมาหาเอกานามเขาไ่ได้เห็นเขายดในเลยไ้ไปสั้นน้ำออกโมถาวออกทรามันหอดมโตวมาจสมันยบะม่หงอเคยมาปะมเคยมาครั้งเดีย ม า, มานด้วยหรอ่บ้านของผมใช่ไหมคืมาคือดีดม า, มาดกหู้่าครับแูบบ้ๆ่ะมาหาตายว่มีเงินหากับไฟซื้อกับไฟอ่พระเอที่บบ่บเนอออมมีเงินซื้อตะปูตีโรคสำหระบเอาสาดไม้ไผ่ห่อไปไม้ไผ่ก็บมสําร็มสิมืน่หม่เอาสาด ห, ห่หอหแล้วกขามไปแลยฮู้ได้ยกยเอาถือเอาสาด ห, ห่อหามไปเพาะรให้เๆรๆู้ๆเข้าใจบ่ ไผ่จะไปเก่งปต่พระพุทธเจ้าเขาโห้เอกแต่พระพุทธเจ้าเขาท่าระเทเดียวพระพุทธเจ้าองค์อื่นมาท่าก็โกงกันเพียเดียวใครท้าเาสงสัยมันเสิห้างเสีมีการละมันสีละง่ายอเงมันกระเวนกัตัวเึ้นอทำไเฮาทบทีมเนาะเสียรางวัลโมยประโยชน์ฮะทีจะกอัมากินให้ยังเว้ยเมื่อยเว้ยเราไก็ได้งับกลับมนมันบันมันมันมันมันมัะเจ้าันมันกคนั ม่านังเอาผ้าพระพุทธเจ้าเป็งกลิ่นด้อยกุติพระพุทธเจ้าปัจใจเสียพระพุทธเจ้าผลมาผ้าราดหยาดผ้ายมเร่นเลีงเรนผ้าเล่นบัสเร่นเบือมัดกับพุทธประหารทำมาประหารฆ่าปรหารออกจากเหตุเท่านี้แหละเขาบอกว่าอยากได้เล่นนไมเหน่นเสมอเจียใจหลกหัวใจห้วใจเป็นมากหลายปีอ่ะซี้นอนก็รียนคอนแก น, นมารักษาเลยมารักษาแต่ห่างปีละเดอ 1, เือนหนึ่งผนมาเธอนึง อยนันโลกมาดโตทางปฏิทังตรงหางทิป้าหมายวัสสตถุสตุกูริโตเดนตังกปาจันโทวนาลสโยยะธ า, ามานิโทธีระโซยะธ า, าสกิริโยวชันตรสัปตุโคสุภะเโยสพโรโคเวินันสสตวมาเตสวาตวันตรายโยสุีทีชายุขโกปกอภิวาตนะสี นิสานิจังวุฒาปจกายโยยัตตารโรธรมาวันติในวันโนสุ ข, ขงังพระกลางขอความเป็นธรรมบ้างขอความเป็นธรรมบ้างการขอความเป็นธรรมจะขอจากลัคิใดก็ต้องขอจากที่พระพุทธศาสน า, าสิเพราะเหตุนใดเพราะพุทธศาสนาบัญญัติธรรมะตรงพระองค์ท่านบัญญัติธรรมะเป็นผู้ไม่มีกิเลสพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะเป็นธรรมันของเก่านั่นเอง มาสวมรอยกันบรญยัติเฉยๆการปกครองในการบ้านในการมือในระหว่างผัวกับเมียก็ดีในระหว่างครอบครัวในระหว่างหมู่บ้านในระหว่างตำบลในระหว่างอำเภอในระหว่างจังหวัดในระหว่างกรุงหลวงในระหว่างภาคก็ดีหรือชาวโลกทุกๆท่านก็ดีถ้าไม่มองดูคำสอนพระพุทธศาสนาคอนเสิร์ตไปไม่รอด พระพุทธศา ส, สนาควบโลกแล้วสัทธาเทวมนุษย์ช้านางเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ต่างหลายนั่นนั่นนั่นนั่นไม่โอีกด้วยยืนยันในย่าเพียงเลยแม้ขั้นข้าวแม้ขั้นข้าวสีหานะชังณทันเตเตเถิดนั่นพระบรมศาสตราจึงเปลี่ยนชีหานาดในพุทธบริษัทไม่ประมาเลยเพราะเป็นคําอันจริงคำบันไดที่พระบรมศาสตรส า, าบอกว่า เธอทั้งหลัยไปร่วงละเมิดเดี๋ยวจะชิบหายเนื้อพวกเราไปร่วงละเมิดก็ชิบหายจริงจริงเช่นเลขพระผาบัตบัตเ บ, บอร์เบอร์นั่นเหตุฉะนั้นองคนะ์ท่านจึงเปอุทานเน่เปลีๆเปลยนเล่ยนเปี่ยนเปีโยนเล่ยนวั่นไม่นิยมชั้นวันละธนาคารเลขเลระ้าผามีไหมไม่มีทำไมโกรกจิงชอบเล่นกันก็เพราะโรคพระโรคขบธรรมะของพระพุทธศาสนามา่แต่ เหตุฉะนั้นจึงบนเราเองหิวโหยอยู่ทุกหยอมยาเอา้าพวกเขาที่ปฏิเสธระบาบไม่มีบุญไม่มีนั้นเขาไปได้ไหมเขาเทศให้เราฟังแล้วใช่ไหมพวกที่เขาถือว่าไม่มีบาปมีบุญเข้าไปไม่ได้ก็แต่กระเจิงพอรู้ตัวก็หมดทุนต่อสู้ก็เป็นกันเทศใหญ่แล้วเราได้ฟังเทศไหมเราฟังเทศเขาไหมนีม่จะกันเทศใหญ่แล้วเขาเทศให้เราฟังไม่ลงธรรมาภรณ์เอา้า พูดถึงแสวงหาเรีย่ยขาผาหาบัตรขาเออก็คือแสวงหาความชิบหายนั่นเองไม่ใช่อันอื่นมนุษย์ด้บัตรเมื่อมนุษย์ได้บัติแล้วสวรรค์สมบัติจะมาจากประตูได้